3. การเริ่มปฏิบัติธรรม 1. เมื่อเริ่มการปฏิบัติธรรมเราไม่สามารถหาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องได้โดยตรงว่าอยู่ตรงไหนเพราะทันทีที่คิดก็เกิดโลภะแล้วดังนั้นจึงต้องรู้และไม่ทำสิ่งที่ผิดสุดโต่งสองด้านคือหลงปล่อยอารมณ์ไปตามกิเลสในวงเล็บการมาสุ ข, ขนลิกานุโยกเพราะถ้าปล่อยใจไปตามกิเลสใจก็จะชุ่มด้วยกิเลสหรือเพ่งกดข่มอารมณ์ในวงเล็บ อัตตะกิลมัฐานุโยกแท้จริงคือการทรมานใจให้แห้งผากทำวิปัสนาไม่ได้เมื่อไม่ทำสิ่งที่ผิดก็จะพบสิ่งที่ถูกเองนั่นคือพบทางสายกลางได้แก่การเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงสองในเบื้องต้นของการปฏิบัติอาจใช้วิธีให้จิตตามดูอารมณ์ที่สังเกตง่ายหรือธรอารมณ์กรรมฐานที่สงบสบายมีความสุขเป็นเครื่องอยู่ในวงเล็บวิหารธรรม เช่นพุทธโธหรือดูลมหายใจเข้าขีดหายใจออกแล้วรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของจิตเช่นเมื่อจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็ให้ระลึกรู้ตามว่าหลงไปคิดแล้วก็ได้พอเรารู้สึกบ่อยๆเราจะจำสภาวะที่จิตหนีไปคิดได้แม่นหรือขณะที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ทำความรู้สึกว่ากายเหมือนหุ่นยนในวงเล็บไม่ใช่ตัวเรากาลังยืนเดินนั่งนอนอยู่ ถ้าสติมารลึกรู้ที่จิตก็ให้ตามรู้ว่าจิตมีอาการอย่างไรเช่นหลงไปคิดหรือเพ่งจ้องเท้าที่กําลังเดินอยู่เป็นต้นสติสามารถสลับพิจารณากายหรือใจได้เองเมื่อเห็นภาวะอันไหนก็ให้ตามรู้อันนั้นแต่ถ้ารู้กายต้องรู้เป็นปัจจุบันในวงเล็บเช่นกําลังเดินอยู่สา เมื่อทำไปเรื่อยๆจะเห็นว่าจิตหนีไปอยู่ในโลกของความคิดเป็นส่วนใหญ่และความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อจิตหนีไปคิดโดยลืมกายลืมใจในปัจจุบันถ้าเรามีสติบ่อยขึ้นก็จะเห็นว่ามีความทุกข์น้อยลงเห็นความจริงมากขึ้นว่ากายนี้ใจนี้มีแต่ความทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างทุกข์บ้างความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็ห้ามไม่ได้จิตจะหนีไปคิดไปรับเอาความทุกข์เข้ามาก็ห้ามไม่ได้มันเกิดขึ้นเองตามเหตุ ป, ปัจจัย เพราะสิ่งที่เราคิดไม่ใช่ความจริงแก้ปัญหาความทุกข์ไม่ได้ 4. เมื่อตามรู้กายตามรู้ใจจนเกิดสติและสัมมาสามาธิถ้าจิตระลึกรู้กายก็รู้ว่ากายไม่ใช่เราถ้าระลึกรู้เวทนาในวงเล็บความสุขความทุกข์ก็รู้ว่าเวทนาไม่ใช่เราถ้าระลึกรู้จิตสังขารวงเล็บเปิดสภาพที่ปรุงแต่งการกระทําทางใจได้แก่เจตนาที่ก่อให้เกิดมนโนกรรม วงเล็บปิดก็รู้ว่ากุศลอกุศลไม่ใช่เราเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราถ้าคนที่ทำฌานได้ให้ทำฌานจนถึงฌานที่สองวงเล็บเปิดไม่มีวิตกวิจารแล้ววงเล็บปิดจะเกิดเอโกทิภาวะคือการมีสัมมาสมาธิจะเห็นว่าองค์ฌานทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นก็ถูกรู้ถูกดูจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวเรา กุศลอกุศลก็ไม่ใช่ตัวเราเช่นกันหการภาวนาทำเพื่อให้เห็นว่าร่างกายและจิตใจทำงานได้เองถ้าเราไม่เข้าไปทำไม่เข้าไปแทรกแซงเราจะเห็นความจริงของกายของใจว่ามันทำงานเองจิตจะสรุปเองว่าจิตไม่ใช่เราถ้าจิตไม่ใช่เราก็ไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วถ้ามีกำลังให้ลุยเข้ามาถึงจิตถึงใจเส้นทางนี้จะสั้นแต่ถ้ากาลังไม่พอก็ดูกายก่อน ดูกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวมีจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากดูไปเรื่อยๆก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราการที่ดูเห็นว่ากายไม่ใช่เราดูง่ายต่อไปก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราเพราะเวทนามันเนื่องอยู่ในกายเช่นเรานั่งมากๆแล้วเมื่อยเราเห็นเลยว่าความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตล้วนเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าพอนั่งแล้วเมื่อยเมื่อยแล้วใจกระสับกระส่ายเราก็เห็นว่าความกระสับกระส่ายไม่ใช่จิต ความกระสับกระส่ายเป็นสังขารขันเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งไม่ใช่จิตอีกดูไปดูมาเราจะมาถึงตัวจิตจนได้เราจะเห็นจิตเกิดดับเดี๋ยวเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สักอย่างเดียวเข้ามาถึงจิตอีกพอเห็นว่าจิตก็เกิดดับไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงในโลกนี้ก็ไม่มีตัวเราแล้ว ดูไปดูไปมันจะเริ่มคลายความยึดถือร่างกายก่อนอยังพอร่างกายแก่ไปก็ไม่ทุรนทุรายเห็นว่าร่างกายนี้มีหน้าที่แก่มีหน้าที่เจ็บมีหน้าที่ตายแต่ยังกลัวเจ็บยังกลัวมันจะตายกลัวว่าตายไปแล้วจิตไม่มีที่อาศัยภาวนาไปเรื่อยๆก็จะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของดีของวิเศษตัวกายเป็นก้อนทุกข์เวทนาทั้งหลายก็เป็นของที่อาศัยไม่ได้ ความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็อาศัยไม่ได้กุศลก็อาศัยไม่ได้มีกุศลแล้วอกุศลก็เกิดได้จะเห็นเลยว่าไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเลยดูมากๆเข้าก็บีบบวงเข้ามาหาจิตอีกต่อไปก็ไม่ยึดจิตโดยไม่ยึดของอื่นก่อนเริ่มตั้งแต่ไม่ยึดของห่างๆก่อนพอไม่ยึดร่างกายก็ไม่ยึดความรู้สึกก็ไม่ยึดความสงบพอไม่ยึดจิตไม่ยึดใจ ก็ไม่มีอะไรมาให้ยึดแล้วเพราะมันปล่อยมาเป็นลําดับลําดับดังนั้นการภาวนาที่ตัดตรงเข้ามาหาจิตจึงเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุด 6. เราภาวนาเพื่อสู้กับความหลงผิดที่สะสมข้ามภพข้ามชาติมาการภาวนาที่ดีที่สุดคือการมีสติรู้กายรู้ใจไปถ้ารู้จิตใจได้ก็รู้ไปเลยเพราะจิตใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสิ่งทั้งหลายสําเร็จได้ด้วยใจกุศลอกุศล มักผลนิพานเกิดขึ้นที่ใจนี่เองดังนั้นถ้ารู้ถึงจิตถึงใจได้ก็ดีถ้ารู้จิตรู้ใจไม่ได้ก็มารู้กายที่เคลื่อนไหวมีจิตมารู้เข้าถ้ารู้กายไม่ไหวก็มาทำสมถะถ้าทำสมถะไม่ได้บริกรรมพุทโธก็ยังดีหรือไปดูท้องผ่องยุบก็ได้แต่ต้องทำแล้วสบายถ้าจิตมีความสุขขึ้นมาให้รู้ว่ามีความสุขนี่ก็กลับมาดูใจได้แล้ว หรือไปทำอะไรที่เป็นกุศลหรือใจสบายก็กลับมารู้กายรู้ใจต่อไป